สิกขาบทวิพัง 889. ที่ชื่อว่าผ้าอาบน้ำได้แก่ผ้าที่ใช้นุ่งอาบน้ำคำว่าพูดจะให้ทำอธิบายว่าพิกษุนีทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพิ่งทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาวสองคืบกว้างสองคืบโดยคืบสุขพิกษุนีทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเกินขนาดนั้นต้องบัตทุกกฎในขณะที่ทา ต้องอบัตภาจิตตีเพราะได้มาต้องตัดของนั้นเสียก่อนแล้วแสดงอบัต